บุ๊กทูหกสิสาการตั้งคาถามสองฟรอฟรอดิฉันมีงานอดิเรกแอคเ e ดแอสตอีดิฉันเล่นเทนนิส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 ดิฉันเจ็บแขนด er. ิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยม er. มูมอดอิฉันมีรถดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย ทอุ ook ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะวีย er ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ทอ่ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วยเคเครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ Waar is die w a s machine ด ja a ฉันมีจา n e k h e ิด a board ดิฉันมีมีดซ่อมและช้อน egg e ิด a mace fork in เลียโปเกลือและพริกไทยอยู่ไหน w ะ a ่ is ์ส e s o u t in p e p e r